และในที่สุดคนทั้งหลายก็จะเข้าใจซึ้งถึงความหมายที่ว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งงานสูงสุดอย่างหนึ่งของโลกพระอริยบุคคลในพุทธศาสนามีอยู่สีประเภทคือพระโสดาบันพระสกัทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่ำพระอรหรันต์ เป็นพระอริยะบุคคลขั้นสูงสุดการจัดลำดับพระอริยะบุคคลนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงจัดไว้เองโดยถือเอาเรื่องสังโยชนิปเป็นหลักเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้เรามาศึกษาถึงเรื่องสังโยชนิกันซสก่อนสังโยชน์แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องผูกมัดซึ่งหมายความว่า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 สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉ า, า, าศิลปตตปรามาตกามราคะปฏิคะรูปราคะอรูปราคะมานาะอุทจและอวิชาพระโสดาบันละสังโยชน์ได้ขาดจากสันดานสมอย่างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉ า, า, าศิลปตตปรามาตหรือพูดอีกในย่าหนึ่ง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 ก็เปรียบเหมือนในก้นขวดไม่มีตะกอนเหลืออยู่เลยจะเขย่าวขวดอย่างไรก็ไม่อาจจะทำให้น้ำขุ่นขึ้นมาได้พระโสดาบันตามสับแปลว่าผู้แรกถึงกระแสคำนี้มาจากคำว่าโสตะและอาปันนะต่อกันโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะ แปลว่าแรกถึงเพราะฉะนั้นคําว่าพระโสดาบันจึงแปลว่าผู้แรกถึงกระแสซึ่งกระแสนี้ที่นี้หมายถึงกระแสนิพพานกระแสนิพพานก็คือความสงบอันประณีตหรือความว่างความเป็นอิสระโดยปกติคําว่าโสตะในภาษ า, ษาธรรมดาก็แปลว่ากระแสน้ํา พระพุทธเจ้ามาักจะทรงเรียกตัหาว่าเป็นกระแสะอย่างหนึ่งโดยทรงใช้คำว่าตันหาโสตะแปลว่ากระแสะตันหาและอีกอย่างหนึ่งโสตะหมายถึงกระแสะนิพพานซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ผู้ที่ตกอยู่ในกระแสะของตันหาก็เปรียบเหมือนคนที่ตกอยู่ในกระแสะน้ำที่ไหลเชี่ยว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 พระเสกขะจักรู้แจ้งซึ่งโยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระเสกขะจักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมอันตถาคตแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการรู้จักเลือกสันดอกไม้ฉนั้นพระเสกขะในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่นับถึงพระอระหรันต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 พระโสดาบันลาสังโยดได้สาคือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาและศิลป ะ, ะตะปรามาตคำว่าสักกายะทิฏฐิแปลว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนผู้ทีลาสักกายะทิฏฐิได้ก็คือผู้ที่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวเองความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนมีอะไรบ้าง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 หมายเหตุคำว่าส่วนต่างๆหรืออวัยวะต่างๆมีความหมายนั้นในที่นี้หมายถึงบอกได้ว่าสิ่งนั้นเกิดมาเพื่ออะไรทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไรตัวอย่างเช่นรากของต้นไม้มีไว้เพื่อดูดน้าและแร่ธาตต่างๆมีใบเพื่อสังเคราะห์แสงซึ่งการมีความหมายในที่นี้ก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาหรือสังขาร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 เพราะเหตุที่ท่านรู้แจ้งเช่นนี้ท่านจึงไม่กลัวต่อภาพมายาหรือสิ่งที่ลวงตาเช่นความจนหรือความลาบากอย่างนี้เป็นตน้นเพราะอะไรก็เพราะท่านรู้แจ้งว่าในเมื่อเรามีอริยทรัพย์เจ็ประการอยู่ในใจของเราอย่างบริบูรณ์แล้วความจนหากจะมีก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นความจนหรือความลาบากทั้งหลายเป็นเพียงการทดสอบว่า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 เกี่ยวกับเรื่องตัวเองได้หรือพูดอีกในย่าหนึ่งคือเข้าใจเรื่องตัวเองอย่างถูกต้องนั้นมีความหมายลึกซึ้งเพียงไรและขอให้เข้าใจว่าท่าที่พูดมานี้ยังไม่หมดยังมีรายละเอียดอีกมากมายแต่เห็นว่าเรื่องจะยาวเกินไปจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อน